คาถาพันพระพุทธภาษิตสหสมปิเจคาธาอนาตกะปะระสัญญาเอกังคาธาปะดังเซยโยอย่างสุดตัวอุปสัมมติแปลความว่าคาถาแม้ทั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยบทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่า อธิบายความคำว่าคาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตนั้นไม่ได้หมายถึงคาถาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจชาวบ้านทั่วไปพอได้ยินคำว่าคาถาก็มาคิดไปถึงคาถาอาคมเกี่ยวกับความคลั้งความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นต้นแต่คาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตหมายถึงคำสอนของท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น พิจารณาตามระวังพระตุสศาสตร์คือคำสอนซึ่งมีลักษณะ9ก้าประการของภะษาสดาคาถาก็เป็นลักษณะหนึ่งแห่งคำสอนคือเป็นคำที่ตรงกับภาษาไทยของเราว่าร้อยกรองคือเป็นโครงกรอนกราบฉันไม่ใช่ร้อยแก้วธรรมดาพระคันธรจนาจารย์ผู้รจนาคำพีต่างๆ คงจักได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาร้อยกรองเป็นคำฉันไว้บ้างเพื่อสะดวกแก่การจำทำนองเดียวกับที่คนไทยโบราณชอบเขียนคำสอนเป็นกรอนไว้จำได้ง่ายจำแม่นเลอะเลือนยากแต่น่าจะมีบ้างเหมือนการที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเป็นโครงฉันกากรอนในเมื่อมีผู้ถามเป็นโครงฉันกากรอนเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ทรงศึกษามาอย่างชนานาญแล้วในสมัยทรงเป็นพระราชกุมาร หากผู้ถามถามเป็นคำพูดธรรมดาก็ทรงตอบด้วยพระดำรัสธรรมดาในอินเดียโครงฉันกากรเขาเพราะมากส่วนใหญ่อยู่ในภาษาสันสกฤตพวกนักปราชญเขาทำการเรียนกันระวังคตดศัตศาสตร์คือลักษณะคำสอนเก้าประการของพระศาสดานั้นคือสุตตะเคยะไวยากรณะคนะาถ า, อ, าอุทานอิติอุตะชาดกอัมภูตธรรมเวทัลละ ข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่อมอื่นบ้างแล้วจึงไม่ประสงค์จะอธิบายในที่นี้อีกพระบทภาทสิทธนินี้มีความเหมือนที่กล่าวแล้วในที่หนึ่งแห่งวัคนี้แปลกันในเรื่องที่หนึ่งเป็นวาจาในเรื่องที่สองเป็นคาถาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารก พ, พระทารุกิริยะเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ ทารุจิริยะเป็นชาวเรือครั้งหนึ่งเดินเรือใบในมหาสมุทรพร้อมด้วยเพื่อนฝูงมากมายเรือแตกกลางมหาสมุทรคนตายกันมากทารุจิริยะได้กระดานเรือแผ่นหนึ่งเกาะอาศัยกระเสือกกระสนไปจนถึงท่าสุปปาระกะัไม่มีผ้านุงคมก็เอาเปลือกปอพันไม้แห้งเข่าพันรอบเอวแทนผ้า มนุษย์ที่ท่าสุปปาระกะเห็นเขาแล้วให้อาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเข้าใจว่าเขาเป็นอรหันองค์หนึ่งทารุจิริยะคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้านี้เองคนทั้งหลายจึงเคารพนบนอมเข้าใจว่าเราเป็นอรหันองค์ใดองค์หนึ่งให้อาหารบริโภคถ้าเรากลับนุ่งผ้าอย่างเดิมลาบสะ ก, การะของเราก็จะเสื่อมดังนี้แล้วใครนําผ้ามาให้ก็ไม่รับไว้ นุ่งห่มแต่เปลือกปออย่างเดียวมนุษย์เป็นอันมากเเรียกเขา ว, ว่าพระอาหารหันต์เขาเมื่อถูกเรียกมาเขาก็สาคัญตนว่าเป็นพระอาหารหันต์จริงๆครั้งนั้นมีเทพในพรหมโลกซึ่งเคยเป็นสหายของเขาได้ทราบเรื่องนั้นวิตกว่าพาหิยะทารุรจิรยะจักชิบหายเพราะความเข้าใจผิดนั้นจึงลงมาบอกความจริงว่าที่แท้ พาหิยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยอย่าเข้าใจผิดพาหิยะฟังแล้วสลดใจถามว่าก็พระอรหันต์อื่นๆมีอยู่หรือในบัดนี้ถ้ามีอยู่ที่ใดเทพได้บอกเขาว่าพาหิยะนครหนึ่งชื่อสาวัตถีตั้งอยู่ทางเหนือเป็นราชธานีแห่งโกศลชนบทบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระนครนั้น พาหิยะพระศาสดานั้นทรงเป็นพระอาหารหันต์แท้จริงและทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์ด้วยท่านจงไปเถิดไปสูนครนั้นมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้เป็นสหายของพาหิยะทารุจิริยะและตัวาหิยะเองในอดีตจึงขอย้อนกล่าวเพียงเล็กน้อยสมณธรรมบนภูเขาเทพที่มาบอกพาหิยะนั้นเป็นเทพจากพรหมโลก เป็นสหายที่เคยทำสมณธรรมร่วมกันมาในการก่อนเมื่อศาสนาแห่งพระกศพสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสื่อมอยู่ภิกษุเจ็ดรูปเห็นอาการอันแปลกคือการสิ้นความสำรวมของบรรพชิตทั้งหลายมีความสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าพระศาสนายังไม่เสื่อมศูนย์หมดสิ้นเสียทีเดียวในบัดนี้เราจักบาเพ็ญสมณธรรมรม ท, ที่พึ่งแก่ตนก่อนที่พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไป ทั้งเจดรูปไหว้เจดีทองแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงตรังงานตั้งใจจะขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขาจึงกล่าวว่าผู้มีอาไยในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอาไยจงขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้ดังนี้แล้วทำบันไดาพาดขึ้นไปแล้วผลักบันไดเสียเพื่อมิให้ลงมาได้อีกหากไม่ได้สำเร็จอะไรก็จะต้องตายอยู่บนภูเขาหากได้สำเร็จ ย่อมสามารถขึ้นลงภูเขาได้ด้วยลิศของตนพระสังฆเถระคือผู้มีบราสามารถที่สุดในกลุ่มนั้นได้บรรลุอรหัตผลโดยล่วงไปเพียงคืนเดียวท่านได้ไปบินทบาทในอุตรกุรุทวีปแล้วนำมาให้ภิกษุอีกหกรูปพร้อมกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวไม้ชำระฟันบ้วนปากแล้วฉันบินทบาทนี้ภิกษุทั้งหลายทักทวงว่า ท่านผู้เจริญพวกเราทำาคติกาวกันไว้หรือว่าภิกษุใดบรรลุอรหัตผลก่อนภิกษุนั้นต้องนำบินทบาทมาเพื่อรูปอื่นๆข อ, อนั้นไม่มีเลยผู้มีอายุพระสังฆเถระตอบพิสุทั้งหลายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นนำบินทบาทมาบริโภคเองการกบฉันของพวกกระผมอย่าได้เป็นกังวลแก่ท่านเลย ในวันที่สองพระเถระองค์ที่สองได้มาโลกอนาคามิผลแล้วนำบินทบาทมาให้ภิกษุอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ต้องการเช่นนั้นต้องการทําคุณวิเศษให้เกิดขึ้นแล้วนําอาหารมาเลี้ยงตนเองบรรดาภิกษุทั้งเ็รูปนั้นภิกษุที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ปรินิพพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกอีกห้ารูปไม่อาจยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ อดอาหารสิน้นชีวิตในวันที่เจ็ดบังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันมาในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้จุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในสกุลต่างๆดังนี้คนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสสะคนหนึ่งเป็นภายยะทารุจิริยะคนหนึ่งเป็นพระทัพพระมลบุตรคนหนึ่งเป็นปริพาชกชื่อ สะพะคำว่าเทวดาผู้เป็นสหายกันในการก่อนท่านหมายเอาภิกษุที่บรรลุอนาคามิผลแล้วเกิดในพรหมโลกนั้นดังนั้นท่านจึงกล่าวต่อไปว่าพาหยะฟังคำบอกเล่าของเทวดาแล้วสดใจรีบออกจากท่าสุ ป, ปาระกะมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลนชนบทเพียงคืนเดียวเดินทางได้ถึงรอยยี่สิบโยน อาจารย์บางท่านว่าไปได้อย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งเทวดาบางท่านว่าเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้ารุ่งอรุณพาหิยะถึงเมืองสาวัตถีพระาศาสดาเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตเขาเข้าไปสู่วัดเชตวันถามภิกษุที่จงกรมอยู่ว่าพระาศาสดาประทับอยู่ที่ใดพระาศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตผู้มีอายุพระตอบและถามเขาว่าก็ท่านเล่ามาจากที่ใด มาจากท่าสุ ป, ปารก ะ, ะท่านออกเดินทางตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเย็นหวานนี้ผู้มีอายุท่านเดินทางมาจากที่ไกลเชิญ น, นั่งพักเสียก่อนล้างเท้าทานมันพักเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยเฝ้าพระศา ส, สดาเมื่อพระองค์เสด็จกลับท่านผู้เจริญอันตรายแห่งชีวิตของพระศาสดาหรือของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ข้าพเจ้าเดินทางมาร้อยี่สิบโยชน์โดยไม่ได้หยุดพักเลย ด้วยมุงหมายจะได้เฝ้าพระาศาสดาทันทีที่มาถึงขอให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระาศาสดาเสียก่อนเถิดแล้วจึงค่อยพักพาหิยะกล่าวดังนั้นแล้วมีอาการเร่งร้อนเข้าไปสู่ตัวเมืองสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จบินถบาทอยู่มีพระพุทธศริริอันหาที่เปรียบไม่ได้ปราโมทคิดว่านานและเกินหนอที่จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมตัวเดินเข้าไปหา ถวายบังคมด้วยเบญจางคะประดิษฐ์ร้างถนนนั่นเองจับข้อพระบาททั้งสองแล้วทูลว่าพระเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงแสดงธรรมอันจักเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานด้วยเถิดพระศาสดาผู้มีพระมหากรุณาอัคหาที่สุดมิได้มีพระพักและพระเนตรอันฉายแววแห่งความปราณีอยู่เสมอพอดพระเนตรพาหิยะ ด้วยความเอ็นดูพลางตรัสว่าพาหิยะบัดนี้หายใจการอันควรที่เราจะแสดงธรรมไม่เรากำลังบินทบาทในละแวกบ้านท่านจงรออยู่ก่อนเถิดความกระหายของพาหิยะไม่ได้ลดลงเขาทูลว่าพระเจ้าขาผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะไม่เคยได้อาหารนั้นไม่มีแต่อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์และของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากดังนั้น ขอได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยพุท ธ, ธประสงค์จะให้พาหิยะบรรเทาค ว, วามกระหายลงเสียก่อนพระทศพลจึงตรัสห้ามอย่างเขาอีกครั้งหนึ่งทรงรู้โดยตลอดว่าจำเดิมแต่การที่พาหิยะเห็นเราแล้วสรีระทั้งสิ้นของเขาเ อ, อิบอาบไปด้วยปิติปราโมทผู้มีปิติมีกลาลังกล้าเช่นนั้นแม้ฟังธรรมก็ม่อาบแทงตลอดเนื้อความแห่งธรรมได้เมื่อใดใจของเขาตั้งอยู่ในอุเบกขา เมื่อ น, นั้นการแสดงธรรมจึงจะมีประโยชน์แก่เขาอย่างเต็มที่อันหนึ่งเล่าร่างกายของเขาเหน็ดเหนื่อยมากพราะเดินทางมาทั้งคืนสิ้นระยะทางถึงร้อยี่สิบโยชนขอให้ความเหน็ดเหนื่อยของเขาได้บรรเทาลงก่อนเถิดเมื่อพาหิยะอ้อนวอนในครั้งที่สามพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าพาหิยะถ้าอย่างนั้นเธอพึงสำเหนียกว่าเราจะเห็นรูปเพียงสักแต่ว่าเห็นจากฟังเสียงสักแต่ว่าฟังจากรู้สักแต่ว่ารู้ อย่าให้มีความยึดมั่นถึงมั่นเข้าจับเกาะในการเห็นการฟังและการรู้นั้นอย่าให้ความดีใจหรือเสียใจรัว่วไหลเข้าสู่จิตใจเพราะการได้เห็นได้ฟังและได้รู้นั้นดูก่อนพาหิยะด้วยการอย่างนี้ตัวเธอจะไม่มีในโลกนี้หรือในโลกไหนๆนั่นแหละคือที่สุดแห่งถุกด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้พาหยะทารุจิริยะก็ทําอาสวะให้สิ้นไปบลุ พระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายทูลขอปัญประชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้ไปแสวงหาบาทจีวรเขาจึงพระจากพระผู้มีพระภาคไปเพื่อแสวงหาบาทจีวรทราบว่าพาหิยะนั้นเคยบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งสองหมื่นปีแต่ไม่เคยสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอื่นๆในเรื่องบาดจีวรคิดแต่เพียงว่า ควรบริโภคใช้สอยด้วยตนเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้จึงไม่ได้ทรงประธานบนรรพชาอุปสมบททันทีเพระสสาะทรงทราบว่าบาศและจีวร อ, อันสําเร็จด้วยฤทธิ์ักไม่มีแก่พาหิยะนั้นดังนั้นพาหิยะจึงต้องเที่ยวแสวงหาเอาเองบังเอิญถูกแม่โคโนมตัวหนึง่งกขิดตายพระศาสดาเสด็จบิณฑบาตตามพระอัจยาศัยแล้วทรงกระทําพัฒกิจเสร็จแล้ว มีภิกษุตามเสด็จหลายโลกเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีทรงเห็นกายของพาหิยะทิ้งอยู่ที่กองขยะทรงบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายไปขอเตียงมาจากบ้านใดบ้านหนึ่งนำสรีระนั้นออกจากเมืองเผาและทำสถุกไว้ภิกษุทั้งหลายได้กระทำตามพระพุทธบัญชาแล้วกลับเชตวันเข้าเฝ้าทูลถามถึงอพิสัมปรายภคคือชาติหน้าของพาหิญนั้น พระศาสดาตรัส บ, บอกความที่พาหิยะนั้นปรินิพานแล้วและทรงตั้งไว้ในตําแหน่งเอเตทะคะว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุสาวกของเราผู้ตรัสรูเ้เร็วพาหิยะเป็นเลิศกว่าใครหมดภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพาหิยะได้บรรลุพระอรหัน ต, ตผลเมื่อไหร่พระศาสดาตรัสตอบว่าในการที่เขาฟังธรรมที่พระองค์ทร ง, สงแสดงขณะบินธบาติข้าแต่พระองค์ พระธรรมที่ทรงแสดงหน้าที่นั้นมีประมาณน้อยเหลือเกินพาหิยะได้บรรลุคุณวิเศษด้วยธรรมเพียงเท่านั้นได้อย่างไรลำดับนั้นพระศาสด า, า, าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากแม้คาถาพันหนึ่งแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งคาถาเพียงบทเดียวแต่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าดังนี้แล้ว ได้สืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นอาธิมีนัยยะดังพร น, นามาแล้วแต่ต้น